เรื่องเขียงเท้าสารด้วยใบไผ่สมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักคีได้ปรึกษากันว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามเขียงเท้าใบตาลจึงให้ตัดใบไม้ไผ่อ่อนแล้วใช้ใบไผ่มาทำเขียงเท้าสวมไม้ไผ่อ่อนที่ถูกตัดนั้นๆย่อมเหี่ยวแห้งคนทั้งหลายตำหนิประนาม โพรธนาว่าชะไหนพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรจึงให้ตัดไม้ไผ่อ่อนใช้ใบไผ่มาทำเขียงเท้าสวมเล่าไม้ไผ่อ่อนที่ถูกตัดนั้นๆย่อมเหี่ยวแห้งไปพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตซึ่งมีอินทรีย์เดียวภิกษุทั้งหลายได้ยินคนทั้งหลายตาหนิประนาม